สี่ันทกรรมวัตถุว่าด้วยการลงทันธกรรมสำมเนิข้อ107สมัยนั้นสำมเนิทั้งหลายไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงมีความประพฤติไม่เข้ากันกับภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพากรรนันตําหนิพระนามโพลธนาว่าฉะนัพวกสำมเนินจึงได้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงมีความประพฤติไม่เข้ากันกับภิกษุทั้งหลายเล่าจึงกราบทูลเรื่องนี้ ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ลงธนกกรรมแก่สมมเณรผู้ประกอบด้วยองค์หคือ 1. พยายามเพื่อความเสื่อมลาภแก่ภิกษุทั้งหลาย 2. พยายามเพื่อความพินาศแก่ภิกษุทั้งหลาย 3. พยายามเพื่อความอยู่ไม่ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย 4. ด่าบริภาทภิกษุทั้งหลาย 5. ยุยยงภิกษุกับภิกษุให้แตกกัน